สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในสุภาษิทธบทที่28ตอนสุดท้ายแล้วนะครับคือข้อที่23จนถึงข้อที่28สบุภาษิท์บทที่28ข้อ23จนถึงข้อที่28บปครับโปรดฟังพระ จ, จนะของพระเจ้าบุคคลที่ขนาบคนหนึ่งคนใดที่หลังเขาจะได้รับความชอบมากกว่าคนที่ป่อย่อด้วยลิ้นของตัว บุคคลที่ขโมยของของบิดาหรือมารดาของตนและกล่าวว่าอย่างนี้ไม่ทรยศเขาก็เป็นเพื่อนของคนทำลายคนตกะกะเราให้เกิดการวิวาดแต่ผู้ที่วางใจในพระเจ้าจะเจริญขึ้นบุคคลที่วางใจในความคิดของตัวเป็นคนโง่แต่บุคคลที่ดําเนินในปัญญาจะได้รับการช่วยกู้บุคคลที่ให้แก่คนยากจนจะไม่รู้การขัดสน แต่บุคคลที่ปิดตาของเขาเสียจากการนี้จะได้รับการแช่งสาบมากเมื่อคนชั่วร้ายมีอานาจขึ้นคนก็ซ่อนตัวเสียแต่เมื่อเขาทั้งหลายพินาศไปคนชอบธรรมก็เพิ่มขึ้นพี่น้องครับเมื่อผมอ่านพระกัมภีร์ตอนนี้ก็คิดถึงคําว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์เพราะฉะนั้นพระกัมภีร์ตอนนี้อยากจะให้อยุดภายใต้หัวข้อคือคนเสียสัตว์ คนเสียสัตว์นั่นคืออะไรครับคนเสียสัตว์ก็คือว่าคนที่ไม่รักษาความสัตย์ซื่อความชอบธรรมและเขามีพฤติกรรมของการป้อยอคนที่สูญเสียความสัตย์ซื่อมีพฤติกรรมของคนที่ขโมยคนที่ทำลายคนที่เสียความสัตย์ซื่อก็คือคนที่เกิดการวิวาทเราให้เกิดการวิวาทคือคนตกะกะาตะกรามคนที่เสียสัตว์ก็คือคนที่วางใจในความคิดของตัวเอง คนที่เสียสัตว์ก็คือคนที่ปิดตาของตัวเองคนที่เสียสัตว์ก็คือคนชั่วร้ายนำไปถึงความพินาศพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูทีละข้อครับว่าคนเสียสัตว์นั้นเป็นอย่างไรบ้างในข้อ23นั้นพระกัมพีได้สอนให้เราว่าอย่าเสียสัตว์การเสียสัตว์โดยการที่ไม่เผชิญหน้ากับความจริงไม่คอนฟ o นเทชั่น รพระกัมพีบอกว่าบุคคลที่ขนาบคนใดคนหนึ่งที่หลังเขาจะรับความชอบเพียงครับเราจะเห็นนะครับว่าพระกัมพีกําลังแนะนํากา ร, รเผชิญหน้าด้วยความรักนะครับมันดีกว่าการประจบประแจงสอพอที่น่าซื่อใจคดจุดที่เน้นอยู่ที่นี่บอกว่าเขาจะได้ความโปรดปรานเขาจะเป็นคนที่ฉลาดการประจบสอบพอนั้นก็คือการที่เราอยากจะ ได้รับประโยชน์ได้รับผลประโยชน์บางอย่างจากคนที่เราเข้าไปคลอเคลียด้วยสอพอด้วยนั่นคือสิ่งที่ไม่น่านับถือและไร้เกียรติถือว่าเป็นความอศัศจรย์อย่างหนึ่งครับใครก็ตามที่กล้าคอนฟล็อ์กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงกล้าที่จะบอกถึงความผิดความถูกต้องอย่างลูกผู้ชายนั่นหมายความว่าคนคนนั้นนั้นสามารถที่จะได้รับพระพรครับได้รับความชอบ การต่อไปของคนที่อสัตย์นั้นก็พบในข้อที่24ครับอาการนี้ก็คือการปล้นพ่อแม่ของตัวเองขโมยของนะครับการปล้นพ่อแม่ของตัวเองก็คือเอาสิ่งของที่ไม่สมควรได้สิ่งของที่เป็นของของพ่อแม่เป็นของตัวเองและแก้ตัวถึงการเอาสิ่งนั้นไปบนพื้นฐานที่ว่านั่นเป็นมรดกของผมนั่นเป็นมรดกของฉัน ใครก็ตามนะครับที่ขโมยหรือยักยอกสิ่งที่เป็นของพ่อแม่นั้นคือความอั ก, กตันยูแย่เหมือนกับเป็นขโมยครับเพราะฉะนั้นพระเยซูได้กล่าวถึงพวกฟาริสีว่าเขาล้มเหลวที่จะปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาต่อพ่อแม่เพราะว่าเขาอ้างว่าเขาได้เป็นหนี้ต่อพ่อแม่ของที่เป็นหนี้ต่อพ่อแม่หรือสิ่งที่เขาควรจะแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่นั้นเป็นโกลธบานไปแล้ว โกละบานก็คือสิ่งที่มอบถวายแต่พระเจ้าไปแล้วเพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงไม่ต้องได้นี่คือการปล้นพ่อแม่อย่างชัดๆพี่น้องครับในสมัยนี้เราเองอาจจะขโมยนะครับขโมยเวลาที่เราควรจะให้คุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับคนคนนี้ก็เป็นคนอสัตย์เหมือนกันพี่น้องครับให้เรากลับมาดูชีวิตของเรานะครับว่าเราได้ขโมยเวลาอะไร ของพ่อแม่เวลาที่พ่อแม่สมควรจะได้รับเราขโมยและเราไม่ให้ท่านในข้อ25ครับพูดถึงความอัตร์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่ตะกะพระคัมภีร์บอกว่าคนตกะกะเราให้เกิดการวิวาทแต่ผู้ที่วางใจในพระเจ้าจะเจริญขึ้นความตะกะนะครับหรือความทะนงความทรยศความมั่นใจแน่ใจในตัวเองมากเกินไปทำให้เกิดความหยิ่งคนส่วนใหญ่นั้นต่อต้านครับ แล้วก็เกิดกวนวิวาทกันบุคคลที่มีพฤติกรรมเช่นนี้เขาจะไม่ค่อยเจริญนะครับแต่ในทางกลับกันบุคคลที่มอบความมุ่งหมายของเขาในทางที่ดีให้กับคนอื่นนะครับโดยการไว้วางใจในพระเจ้าพึ่งพาในการรงนำของพระองค์พระเจ้าจะสนับสนุนความมุ่งมั่นมุ่งหมายของเขานะครับและจะทำให้ชีวิตของเขานั้นจเจริญขึ้นและไปไปสู่ความสาเร็จครับ ความตะกะนะครับก็คือการละโมบความอยากได้ในวัตถุสิ่งของและความตะกะนี่นะครับมันไม่สามารถควบคุมได้หรือยากที่จะควบคุมได้มันเป็นความโลภที่เกิดจากความเห็นแก่ตัวนะครับจึงส่งผลให้เกิดการวิวาสหรือการขัดแย้งขึ้นมาอย่างรุนแรงพี่น้องครับด้วยเหตุนี้ความตะกะเป็นเพื่อนกับความหลอกลวงนะครับความตะกะก็จะนามาซึ่งความเกลียดชัง ความตะกะก็กเกิดความใจร้อนความอยากรวยเร็วนะครับและไม่สู่ความตลบตะแหลงพฤติกรรมที่หน่าไหว้หลังหลอกพฤติกรรมที่ทําอย่างไรก็ได้เพื่อที่จะได้มาซึ่งผลกําไรผลประโยชน์และถ้าหากว่าไม่ได้ก็จะเกิดการวิวาทความโกรธเกิดขึ้นครับพี่น้องครับผู้ที่วางใจในพระเจ้าจ ะ, จะเจริญขึ้น ขอพระเจ้าเมตตาช่วยเหลือเราทั้งหลายในการที่เราจะจำเริญขึ้นในทางของพระเจ้าจำเริญขึ้นในทางแบบที่พระเจ้าให้เราจเจริญในข้อ26ครับในทางตรงกันข้ามคนที่ไว้วางใจในพระเจ้านะครับคือบุคคลที่พระเจ้ายกย่องคนที่ไว้วางใจในตัวเองเขาเป็นคนโง่ครับเขาเป็นคนที่ปัญญาทึบ พี่น้องครับคนที่มีปัญญาจะไม่ไว้วางใจในตัวเองเขาจะไว้วางใจในพระเจ้าแทนเขาจะได้ความปลอดภัยในข้อ26บอกชัดเจนครับบุคคลที่วางใจในความคิดของตัวเองเป็นคนโง่แต่บุคคลที่ดําเนินในปัญญาจะได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้าข้อ27ครับบุคคลที่ให้แก่คนยากจนจะไม่รู้ขัดสนแต่บุคคลที่ตะหนี่ถี่เหนียวหรือบุคคลที่ปิดตาของตัวเองจากการนี้ จะได้รับการแช่งสาบมากนี่คือความอัศศต์อีกอย่างหนึ่งครับก็คือคนตะหนีทีเหนียวคนตะหนีทีเหนียวนี้ก็คือคนที่ไร้ดั่ใจการให้แก่คนยากจนนั้นไม่ได้หมายความว่าผู้ให้ให้แล้วจะไม่มีอะไรเหลือแต่ตรงข้ามครับเมื่อเขายิ่งให้พระเจ้ายิ่งประทานกลับคืนมาเขาจะไม่ขัดสนครับความมีใจกว้างขวางของเขานั้นจะได้รับรางวัลจากพระเจ้า แต่ในทางกลับกันคนอสัตที่ละเลยความต้องการของคนยากจนไม่สนใจความยากจนของคนอื่นนะครับเขาจะได้รับการแช่งสาบบรรดาคนที่ให้แก่คนยากจนคนที่มีน้ําใจเขาจะไม่ขาดสิ่งที่พวกเขาจําเป็นนั่นก็คือพระพรของพระเจ้าครับพวกเขาอาจจะได้รับพระพรต่างๆจากคนอื่นด้วยที่พระเจ้าผ่านมาให้และผลประโยชน์ทางวัตถุ ที่พระเจ้าสัญญาให้กับคนที่ใจกว้างขวางพี่น้องครับถ้าเราให้ด้วยใจกว้างขวางพระเจ้าจะให้กับเราคืนด้วยใจกว้างขวางเช่นเดียวกันข้อสุดท้ายของวันนี้อยู่ในข้อที่28ครับเป็นคนอสัตที่ชั่วร้ายเป็นคนอสัตที่ชั่วร้ายและมีอํานาจคนก็จะถอยห่างครับคนก็จะซ่อนตัวเสีย และเมื่อเขาเดินทางไปสู่ความพินาศหลังจากที่เขาพินาศไปแล้วคนชอบธรรมก็เพิ่มขึ้นที่นี้ได้พูดถึงว่าเมื่อคนชั่วร้ายมีอำนาจนะครับคนชอบธรรมก็ซ่อนตัวของเขาเสียเพราะเขารู้ว่าการช่อโกงการคอร์รัปชันความชั่วร้ายจะเกิดขึ้นแต่เมื่อพวกเขาหายไปพินาศไปคนชอบธรรมก็รู้ว่ามันปลอดภัยแล้วที่เขาจะแสดงตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ กระชับเฉงขึ้นมามีชีวิตขึ้นมามีชีวิตชีวาขึ้นมาและเพื่อที่จะรับใช้อยู่ในที่สนาธารณะหรืออยู่ในคี่สจักรพี่น้องครับเมื่อคนชั่วร้ายมีอำนาจนะครับในชุมชนใดก็ตามคนก็จะถอยห่างครับและเมื่อไหรก็ตามที่เข้าไปแล้วคนก็จะลุกขึ้นมามีชีวิตชีวาได้เกิดการรีวิวเวิลก็คือการฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าช่วยเรานะครับ ในการที่เราเองนั้นหากเป็นผู้นำํำเราจะต้องเป็นผู้นํำที่สัตว์ซื่ออย่าเป็นผู้นําที่อัศัตยและหากเราเป็นผู้ตามเราก็ต้องเป็นผู้ตามที่สัตว์ซื่ออย่าเป็นผู้ตามที่อัศัตวยไม่ว่าเราจะอยู่ในวิชาชีพใดก็ตามเราจะต้องดารงจัร ญ, ญาบรรทางวิชาชีพด้วยความสัตว์ซื่อเพราะพระเจ้าจะยกชูเราขึ้นเมื่อถึงเวลาของพระองค์อามน